ขอความสันต um ah uh. ิความจำเริญจากอัลลอฮฺ ได้โปรดประสบเดินพี่น้องผู้ที่มาศึกษาวิชาทับซินในวันนี้รวมไปถึงผู้ที่ติดตามตรับฟังรับชมทุกท่านวันนี้ครับอยู่ในซุรยูซุปหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าอายะอายที่ห้าสิบแปดถึงอายาที่หกสิบสอง ซุรฮยูซุฟนะครับห้าสิบแปดห้าสิบเก้าหกสิบหกสิบเอ็ดหกสิบสองนะสมัยนี้ใคร้ออกเสียงหกสิบหนึ่งแล้วไม่ใช่หกสิบเอ็ดห้าอายาจากซุรฮยูซุฟเนื้อหานะครับเป็นชีวประวัติท่านบิวยูซุฟอะเลฮิสลามคราวที่แล้วเนี่ยน้นองมาเนี่ยนะครับท่านบิตยูซุฟได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งดูแลคอซาอินุนอาร์ตีแปลว่าคลังของผแผ่นดินในการเก็บสเสบียงเพราะว่าทำไมละ่ะสิ่งที่จะเกิดกับอีนต่อไปเจปีข้างหน้าจะมีความอดุมสมบูรณ์หลังจากนั้นจะมีความแห้งแล้งขาดแคลนอย่างหนักนายยูซุปเป็นคนที่เสนอนโยบายในการแก้ปัญหาแล้วก็เสนอตัวเองด้วยพี่น้อง แต่งตั้งฉันให้เป็นผู้ดูแลสุดท้ายกษัตริย์เนี่ยแต่งตั้งนาบิยูซุปเป็นผู้ดูแลนะทีนี้ก็ผ่านช่วงเวลาเจ็ดปีแห่งความอุดมสมบูรณ์นาบิยูซุปก็ททำตามแผนการเลยนะครับข้าวที่เก็บได้ผึ้ยผลที่เก็บได้อย่าเพิ่งเอาออกจากมเมล็ดของมันเก็บไว้ในรงข้าวเก็บไว้ในต้นของมันก่อนเพื่อจะเก็บได้นาน นะครับหลังจากนั้นสะสมได้เยอะได้เยอะเสร็จใช่ไหมช่วงนั้นก็มีกินด้วยเอามากินด้วยแต่กินไม่เยอะพอพ้นเจ็ปีแห่งความอุดมสมบูรณ์เหตุการณ์ก็เป็นไปตามที่นาบยูซุปได้ทำนายไว้มีความแห้งแล้งเกิดขึ้นอย่างหนักทั้งในอียิปต์และก็บริเวณตะนออกอียิปต์ เนื้อหาในวันนี้เนี่ยนะครับเนื้อหาคร่าวๆคือพี่น้องที่สมัยก่อนตอนเด็กๆเคยผักนบียูซุปลงไว้ในบอ่อเนี่ยวันนี้เดินทางกลับมาหานาบียูซุปไม่ทราบว่าเป็นนบียูซุปเดินทางมาที่อียิปเพื่อมาขอซื้อเสเบียงที่ไหนก็ไม่มีกินตอนนั้นเนี่ยนะครับเพราะไม่มีใครทราบอนาคตแบบนบียูซุปนะก็เลยไม่มีการกัดตรงสเบียงไว้แต่นบียูซุปทาให้อียิปมีสเบียงกิน พี่น้องนึกภาพนะที่อื่นก็ไม่มีกินแล้วเหลือแต่อียิปต์ที่มีกินมีสเสบียงคนจางสาธารณทิศทําไมล่ะเดินทางมาที่อียิปต์มาขอซื้อสเสบียงมีหลายกลุ่มหลายกลอนเต็มไปหมดเลยพี่น้องหนึ่งในนั้นก็มีคณะจากปาเลสไตน์ดินแดงกันอ่านที่นบีพี่น้องนบีอูซุปอยู่กับพ่อเนี่ยตอนเด็กเดเดินทางมาที่อียิปต์ด้วยท่านก็อ่านก็เล่าเหตุการณ์ตรงนั้นไว้นะครับซึ่งก็คือเนื้อหาในวันนี้ ในอายะห์ที่ห้าสิแปดครับอลัลลอฮฺตรัสไว้ว่าอวยาอีควาตุยุซและพี่น้องข อ, อยูยุปก็ก็เดมามาในที่นี้คือมาที่ประเทศอีบตอนนั้นยังไมู่่ประเทศนะดินแดนอีบนะครับฟ้ดะขอรู้อะไรที่แล้วก็เข้าไปหาเขาพี่น้องในะบิยุป ได้เข้าไปหานาบิยุซุพเพราะว่าเป็นเป็นผู้ดูแลทังใครจะมาซื้อสเปียงจะมาขอสเบียงต้องผ่านการอนุมัติจากนาบิยุสุเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยทำไมเอ่ยฝาอารา่วุ่นนายบิยุซุเห็นทราบเลยนี่คือพี่น้องของตัวเองวะหุ่มลาหูมุงกีรูนแต่พี่น้องนาบิยุซุไม่ทราบจไม่ได้จาน้องตัวเองไม่ได้ที่ชื่อยุซุ คิดว่าน้าจะตายไปแล้วน่าจะถูกขายหายไปไหนไปแล้วคิดไม่ถึงว่านี้ละบิยูซุปเป็นผู้ดูแลครังของอียิปต์แล้วตัวเองต้องมาขอความช่วยเหลือละบิยูซุเห็นจำได้แต่พี่น้องจำไม่ได้นักประวัติศาสตร์อธิบายว่านี่เป็นความเห็นนะครับอาจจะไม่เป๊ะแต่เป็นความเห็นปีที่พี่น้องลบิยูซุปเดินทางหาลบิยูซุปเนี่ยเป็นปีที่สองแห่งความแห่งแรง สถามันเดบียูซุปห่างจากพี่น้องกี่ปีเนี่ยตอบยากมามันมีช่วงติดคุกติดคุกกันหนึ่งติดคุกกันมีทัศนะทั้งห้าปีเจ็ดปีสิบสองปีแล้วก็บวกอีกเจ็ดปีแห่งความอุดมสมบูรณ์ไปเท่าไหร่ล่ะเกือบจะยี่สิบแล้วสิบกว่าแล้วแล้วก็ปีที่สองแห่งความแห้งแรงนึกออกไหตกีกันประมาณยี่สิบปี ขาดเหลือกันแล้วแต่ไม่ส่งผลต่อต่ออาคีตาต่อความเชื่อเป็นเกดทางบทตรอิสระปีที่สองหความแพ้งแร้งเนี่ยนะครับพี่น้องนบีซุกก็มาหามาเพื่อขอสเสบียงคำว่าว่ายาเอวายะอควตุยซุพี่น้องของยุซุมามากี่คนามาทั้งหมดสิบคน ทั้งหมดจะมี12คนนับน บ, บียูซุปด้วยน บ, บียูซุปเป็นคนที่11น้องคือบินยาเมีนแต่มาในคราวนี้มาทั้งหมด10คนทิ้งบินยาเมียนคนสุดท้องไว้ให้ให้อยู่กับพ่อนะไม่ทิ้งเลยไม่ได้พ่อพ่อเนะ่ยยังเสียใจอยู่ยังไม่ลืมน บ, บียูซุปนะเสียลูกชายไปคนหนึ่งต้องมีคนหนึ่งอยู่กับพ่อก็ให้คนสุดท้องอยู่กับพ่อคือบิญญบนยาเมียนฉะนั้นเดินทางมา10คน สายเห็นที่ต้องเดินทางมาเยอะขนาดนี้เนี่ยเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยเขาเรียกว่ามีการจํากัดโคต้าในการขายอาหารหรือว่าแจกจ่ายอาหารคล้ายๆธงฟ้าบิ้องคเคยไปซื้อไหมทาทาธงฟ้าเนี่ยคนนึงได้น้ำมันสามขวดสมมุติกําหนดไว้หรือว่าคนนึ่งได้น้ำตาลแค่สองโลเอานั้นเอาเยอะไม่ได้น้ำมาันแหละเอาเยอะมึงเอาไปขายกันเอาไม่ได้มากี่คนได้เท่านั้น พี่น้องก็เลยรวมตัวมาทั้งหมด10คนเท่าที่มาได้ในยเยอะกว่านี้ไม่ได้เลยถ้ามาน้อยกว่านี้เสเบียังกันได้น้อยมาเต็มที่ได้10คนต้องทิ้งคนหนึ่งไว้ดูแลพ่อคือคือบินยันในขณะเดียวกันมากันเยอะก็เป็นการเขาเรียกว่าช่วยดูแลเป็นความปลอดภัยด้วยพอเมื่อความแห้งแล้งมันเกิดขึ้นเนี่ยสเสบียงหายากระหว่างทางเนี่ยก็มีการปน เอาไม่ต้องยากหรอกตอนที่ข้าวแพงพี่น้องจําได้ไหมที่เกวียนประมาณหมื่นเนี่ยคนทํานาแถวคฟองเนี่ยต้องเฝ้าข้าวกันเลยขโมยข้าวตะก่อนข้าวนะเขาไม่ขโมยกันส่วนมากก็ขโมยรถไถขโมยเครื่องมือไปขายได้มอเตอร์อะไรแบบเนี้ยไดโนโมแต่ว่าช่วงที่ข้าวแพงมีขโมยข้าวฟองเฝ้ากันเลยนึกภาพดูนะแล้วอียในตอนนั้นเนี่ยแห้งแล้งหมดเลยคนไม่มีจะกิน มันทีคนเป็นโจรเนี่ยไม่ใช่พระชั่วอย่างเดียวไม่มีเจนกินเหมือนกันฉะนั้นถ้ามาคนสองคนได้อาหารเรียบร็จเจอโจรดักกลางทางเรียบร้อยมาสิบคนนะครับพี่น้องนบียูซุปเนี่ยอย่างที่ผมเคยนาเสนอตอนแรกๆกันท่าพี่น้องจําได้เวลาศึกษาประวัตินบียูซุปหรือว่านซุลาะยูซุปเวลาศึกษาวิชาตัปซีดอย่ามองแค่ตัวนบียูซุปให้มองไปที่พี่น้องนบียูซุปด้วย เพราะทำไมล่ะมันเป็นประวัติของบรรดอิสรามทั้งหมดซุลยุซุฮิกมาหนึ่งที่ถูกประทานลงมาก็คือเตรียมความพร้อมให้กับมุสลิมนบีบรรดาสหายบา้าก่อนที่จะไปอยู่ในมนดีนาไปเจอกับพวกอะลุกิตาบทราบความเป็นมาของชาวบรรดอิสลามทราบได้จากไหนล่ะทราบได้จากซุลยุซุนี่แหละพี่น้องนบียุซุพี่น้องนบียุซุเนี่ยพี่น้อ ง, เ, องเขาเรียกว่าบางคนเนี่ย ชื่อเนี่ยถูกนำมาตั้งเป็นชื่อที่เราคุ้นเคยชื่อฝรั่งนี่แหละบางทีเราไม่ทราบว่าเป็นพี่น้องนบดยูซุปเช่นโลบินเนี่ยพี่คนโตของพี่น้องอบดยูซุปโรบินเคยดูมาแบทแมนกับโลบินูดนนโลบินใครตายซะโลบินโลบินเนี่ยเป็นพี่หนึ่งในหัวหน้าบรรันทีอิสราเอลต้นตระกูลบรรันทีอิสราเอลหนึ่งเผ่าก็คือเป็นพี่นะซามูเอลเคยดูนไนม อันนี้ก็เป็นพี่น้องนบียุสุปเหมือนกันฝรั่งชื่อซามูเอลไปหมดยาหูดาซามูเอลซามูเอลเช่นนักเขียนดังซามูเอลหันตินตั้งอ่าเนี่ยมีซามูเอลมีอีกคนนึ่งชื่อยาหูดาซึ่งต่อมาเนี่ยกลายเป็นชื่อยาหูเวลาที่เราเรียกพวกยูเนี่ยยาหูเนี่ยมาจากชื่อหนึ่งในพี่น้องนบนียูซุปนี่แหละชื่อยาหูดา ต่อมากลายเป็นยู่อยฮูดนะนักตาลีคดาไหมนักตาลีนี่นักตาลีนะครับอาจารย์นักตาลีนะนักตาลีใครละ่ะเดนเดนแต่งนแต่งนิยายเรื่องรามดัตวิชีเนี่ยเดนเปาเดนดานเนี่ยอาว่าดานดีดานอลิก น, นูดาน คนอังกฤษก็คือแดนพวกฝรั่งนะก็เป็นเป็นหนึ่งในะพี่น้องนับีุยูซุปเป็นต้นตระกูลชาวบบนิสรออีนนะยูซุปนี่ทราบอยู่แล้วยูซุปคือโจโซเซฟมีอยู่แล้วแล้วก็เบนจามินก็คือบินจามินน้องนับีุยูซุปที่ไม่ได้มาตอนเนี้เช่นอะไรละ่ะเบนจามินมคนชื่อเบนจามินเยอะนะนอกจากนี้ยังมีลาวีหรือว่าเลวีคือชื่อใคร เกเกงเกงยินลีว้พี่จักไหมนั่นแหละมาจากคําว่าเลวีหรือลาวีเป็นหนึ่งในพี่น้องนบียูซุพี่น้องบางคนไม่ทราบนี่แหละนะครับเพราะว่าพวกฝรั่งเนี่ยเวลาตั้งชื่อก็ตั้งชื่อตามบุคคลในความเชื่อเขาในแ บ, บเบิร์ความเชื่อมเยอะๆเนี่ยผู้หญิงชื่อราเชลคือใครแม่นบียูซุพสาราอานว่ารอฮินะเนี่ยเกงยินลว้ก็คือเลวีเลวีก็เป็นพี่น้องคนหนึ่งเหมือนกัน คั้นี้เกิดประวัติพี่น้องอาบียูซุปเนี่ยมันมีคนคนหนึ่งที่ตอนนั้นนบียูซุปก่อนจะถูกโยนทิ้งไปในบอ่อเนี่ยมีคนบอกว่าให้ฆ่าฆ่าเลยไหมเนี่ยยูซุปฆ่าดีไหมมีคนหนึ่งย้ำยั้งว่าอย่าฆ่ายูซุฟทิ้งไว้ในบ่อก็พอก็มีประเด็นถกเถียงว่าใครพูดไอคนเนี้แสดงว่าดีหน่อยบเบย์มิ น, นไม่เกี่ยวแต่พี่น้องคนที่ยัง้งคนอื่นว่าอย่าฆ่าเนี่ยเป็นใคร ก็มีความเหนต่างกันไปบางคนบอกว่าโลวินที่บนโตบางคนบอกยาฮูดาบางคนบอกเลวีลาวีเนี่ยก็เป็นเกตความรู้นะครับใครจะพูดก็ไม่มีปัญหาทานีนี้ในไหนก็พูดเึงเกี่ยวกับพี่น้องนะมียูซุบแล้วเนี่ยนะครับผมก็เล่าต่อละกันนะพี่น้องในมียูซุบนะ่มีมีสิบสองคน สิบสองคนหมายถึงนับในบยูซุปด้วยนะและแต่ละคนก็แยกเป็นนบีมีบางคนมีเชื้อสายเป็นนบีเช่นเลวีหรือลาวีที่พูเนี่ยกิงยินลีวายเนี่ยนะครับจริงคือเลวีนะหรือว่าลาวีทําไมละ่ะก็เป็นต้นตระกูลของนบีมูซาอะลัยสลามนะแล้วก็ใครละ่ะนบีฮารูนอะลัยสลามนี่นะลาวี La เนี่ย ถ้าใครเคยเรียนเกี่ยวกับสารนาคริสต์เนี่ยมันจะมีบทหนึ่งชื่อเลวีนิติเป็นบทที่เกี่ยวข้องกับเผ่านี้โดยเฉพาะเนี่ยตระกูลนี้เพราะเลวีเนี่ยมีข้อพิเศษคือตอนที่แบ่งแผ่นดินเนี่ยเป็นสิบสองแผ่นดินเนี่ยเลวีเนี่ยไม่ได้แผ่นดินไม่ได้อำนาจทางการปกครอ ง, องแต่ว่าแต่งตั้งให้ดูแลเกี่ยวกับโบสถ์ อันนี้เป็นเก็บความรู้จำได้ก็ได้ไม่จําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรมันจะมีตาบูตตาบูตปรวัยหีบตอนที่ดับเบิูซาอพยพเนี่ยนะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ชาววันนีสซอยอินให้ความสําคัญคือหีบของโมเสสจะมีไหมเท้าดบเบิลยูซามีคำพีเก่ามีคำภีบัญญัสสิบประการเนี่ยเก็บไว้ในหีบเป็นของศักดิ์สิทธิ์เลยเวลาไปไหนก็พาไปด้วยคราว น, นี้หีบดังกล่าวเนี่ยคนที่ดูแลคือคือเผ่าเลวีลาวีตรงนี้ย ไม่เกี่ยวข้องกับการปกครองแต่งตั้งไปเลย ว, ว่าดูหน้าเกี่ยวกับศาสนาอย่างเดียวเป็นนักบวช ด, ดูแล ว, วิหารอย่างเดียวฉะนั้นเลวีนี่ก็ตัดทิ้งไปเหลือสิบเผ่านะนึกออกไหมคราวนี้เวลาพูดถึงบรรดิสโอีสิบสองเผ่าเนี่ยเขานับเพิ่มมาก็คือลูกนาะบิยูซุปเนี่ยมีลูกสองคนคือเอิสราเอลกับมันคเน็มนัเซถ้า อ, ออกเสียงตามไบเบิเลนะ สองคนนี้เนี่ยก็กลายเป็นสองเผา่าพี่น้องอาจจะงงคือสิบเผ่าเนี่ยเป็นพี่น้องนบะิยูซุกหมดใช่ไเป็นสิบสองเผา่าแต่ว่าเลวีเนี่ยถูกตัดทิ้งไปนิวผมไม่พอที่ผมมีแค่สิบเขาจะว่าก็เหลือหายไปใช้ไมาครั้นี้ก็เอาลูกนบะิยุซุกสองคนเนี่ยคนหนึ่งคืออิฟราเอีมอีกคนหนึ่งคือมานัสเซแทนที่ก็กลายเป็นสิบสองเผา่า อ่นี่คือสิบสองเผ่าบันิอิสราอินไนหนๆก็ เ, เล่าเราต่อเลยพอมาถึงนาีมูซานะครับผ่านมาเสร็จใช่ไหมหลังจากนามีมูซาเสียชีวิตแล้วเนี่ยผู้นำบันิอิสราอินไม่ใช่ดามีฮารูนนะเป็นเชี่ยสายนดาียูซุฟก็คือคือยูชา บ, บินนูนที่เคยเล่าให้ฟังอยู่ในโซลกาฟีเป็นเด็กรับใช้นา บ, บีมูซาทางไปเป็นกอนสศิววาโชชัวนะ ก็เนี่ยเป็นผู้นําหลังจากนั้นก็เป็นนบีดาวูดนบีสุเลมานซึ่งนบีดาวูดนบีสุเลยมานเนี่ยเป็นเชื้อสายของยาฮูดานี่ต่อมากลายเป็นยาฮูดยาูดาปัญหาก็คือตอนที่นบีดาวูดกับ น, นบีสุเลยมานปกครองอาณาจักรอิสราเอลเนี่ยมีอํานาจมากมีความเข้มแข็ง ม, ม, มากปัญหาคือหลังจากนบีสุเลยมานเสียชีวิตแล้วเนี่ยมีความแตกแยกใน ภายในอาณาจักรแต่แยกกันเลยระหว่างใครหลังลูกหลานของอิสราเอลก็คือทางสายนาบียูซุฟเนี่ยกับลูกหลานของลูกของนบีสุไลมานคือเป็นกรรษัตริย์เก่าใช่ไหมพอกรรษัตริย์ใหม่อำหนาจ อ, อ, อ่อนแอก็มีความขัดแย้งกันสองฝั่งทอิสราเอลกับกับสายนาบีสุไลมานก็คือยาฮูดาก็แตกเป็นสองอาณาจักรข้างล่างเนี่ย เป็นเผ่ายาหูดากับบินยามีนขั้นบนก็เป็นสิบเผ่าที่เหลือเวลาก็พูดถึงบินิสรออีนเนี่ยนะครับพูดถึงเลวีลาวีเนี่ยจะพูดถึงความเคร่งเพราะว่าดูแลคำพีดูแลวิหารดูแลโบเวลาพูดถึงสายบินยามียนเนี่ยเบนจามินเนี่ ย, ญญนนยจะพูดถึงความซื่อสัตย์ ในขณะที่สิทเผ่าเนี่ยแตกไปข้างบนเปนะ็นอาณาจักรข้าบนสิทเผ่าบิญญามีนสายบิญญามีนอยู่กับผู้ปกครองเดิมคือลูกของนบีซุยมานเป็นสิทข้าบนสองข้างล่างนะหลังจากนั้นสิทเผ่าเนี่ยข้าบนเนี่ ย, นนยถูกตีไปพวกอาชุดบัตีจับเป็นฉลงเฉลยไปก็หายสาบสูญก็เป็นที่มาของเผ่าในปณิสซออินท่สาบสูนสิทิ์เผ่านะบางคนบอกว่าจริงไม่จริงกันแล้วแต่อันนี้เป็นเกตความรู้นะครับ ที่พูดให้ฟังเนี่ยทำไมล่ะเพราะว่าในกรุรอานพูดถึงอิคาร์ตูยูซุพูดหลายครั้งมากแต่น้อยครั้งที่มุสลิมเราเนี่ยจะศึกษาต่อว่าอิคาร์ตูยูซุพี่น้องของยูซุปเนี่ยคือใครนะเราไม่เคยทราบรายละเอียดเกี่ยวกับอาลุนกิตาบับนิอิสรอีนเราไม่ค่อยทราบมีใครบ้างก็ไม่ทราบใครเป็นใครทราบไหมไม่เคยทราบนะฉะนั้นผมแนะให้เวลาศึกษาซอรอยูซุ ศึกษาต่อไปที่บันทึกอิสราอินข้ามันที่ประเด็นภูสยามเลยนะครับพี่น้องนบีุยูซุฟมานะฟาดัคาลูอะไรที่สิบคนก็เข้าไปหานาบีุยูซุฟไม่ได้เข้าอะไรงานนะพอมาแล้วเนี่ยฟาตรงนี้บางคนก็บอกแสดงถึงระยะเวลาไม่มันตะมีการต่อคิวมันมีความหนานแน่นเพราะมันที่อื่นก็ไม่มีกินแล้ว ทุกที่มาที่อียิปต์มาแล้วคิวต่อคิวกว่าจะได้เจอยูซุฟไม่ได้มาแล้วเจอเลยนะมาแล้วโอ้โหหัวดําคนเต็มไปหมดเลยมาขอสบียบงเหมือนกันขอซื้อขอแจกจ่ายเหมือนกันพอพี่น้องนยบิยูซุฟเข้ามาที่นบิยูซุฟแล้วเนี่ยมันถึงเข้าไปหานาบิยูซุฟฟาอารฟาฟฟาฮุมนบิยูซุฟเห็นปุ๊บทราบครับนี่คือพี่น้องหลังๆนะั้าพี่น้องดูประวัติ น, นบิยูซุฟนะ นย บ, บิยุสุปเป็นคนที่ให้อภัยมากตอนเด็กๆ เ, เนี่ยพี่น้องเอาผมไปโยนลงบ่อเนี่ยโตมาเนี่ยผมยังแค้นอยู่นะนย บ, บิยุซุไม่แค้นเลยเห็นทีแรกช่วยเลยจําได้แล้วก็ช่วยไม่มีจะมาเอาคืนสักหน่อยนย่แต่ก่อนทําไว้ไม่มีเอาคืนน บ, บิยุสุน บ, บิยุสุจําพี่น้องได้ฟ้าหุมห้มเราฮวงกีรูนแต่สิทคนเน่ยรวมกันจําน บ, บิยุซุไม่ได้ ตรงนี้แสดงถึงปัญญาในิยูซุหไหวพลิ์ปัญญาความฉลาดในดิยูซุมีชัดเจนถ้าพี่น้องติดตามประวัติในดิยูซุคราวที่แล้วเนี่ยแม้กระทั่งก่อนจะออกจากคุกเนี่ยกระส์ตส่งตัวมาเชิญไปดูแลไปแก้ปัญหาไปทำนายฝันในดิยูซุไม่ออกสุ ข, ขุมแล้วก็มีปัญญาจะออกตอนไหนเวลาพูดเวลานาเสนอมีปัญญามาก นะออกไปแล้วต้องเคลียรประวัติก่อนว่าที่ติดคุกไม่ใช่ศนายตัวเองไม่ได้ปั๊มสุไลคอให้ไปถามผู้หญิงในเมืองสาบดีวาด่าคดีตรงนี้เมื่อเจ็ดปีที่แล้วห้าปีที่แล้ว12บสองปีที่แล้วเกิดอะไรขึ้นคขาพูดได อ, อย่างฉลาดมากสิ่งหนึ่งที่ยืนยันถึงความฉลาดของนายิสุข ค, คือความจำในอายะนี้สิคนรวมตัวกันสูน้นวิวุคนเดียวไม่ได้ เนี่ยมาเจอหน้ากันสิคนรวมกันจํายูซุปไม่ได้แต่นบิยูซุปจาได้นี่คือพี่น้องของฉันนี่คือความฉลาดของนบิยูซุปเวลามายะฮะซาฮุมบิจีฮาบิฮาซีฮิมและเมื่อทําไมเอ่ยเตรียมยะฮะซาฮุมเตรียมให้ครับพวกเขาพวกนั้นเอาซาบียงมาเดินทางมาขอซื้อซาเบียงพอเจอนบิยูซุปพี่น้อง น, นึกภาพานะเหตุการณ์มันต่อกันจําได้ก็ยาฮะซาฮุม ah ah um, เตรียมให้ นะครับบิยญาฮาซิฮิมเตรียมสเสบียงให้ตามที่ขอเตรียมให้ให้ความช่วยเหลือตอนนั้นเนี่ยอียิปต์คือครั้งสุดท้ายของแผ่นดินแล้วที่อื่นไม่มีกินอยากมีกินไปที่อียิปเป็นที่เดียวที่คนมากันเต็มไปหมดพี่น้องในภาพดูแล้วกันสิ่งที่นาบิยุสุธทำเนี่ยไม่ใช่ทำนายฝันนายิ่งใหญ่มากช่วยชีวิตคนไม่รู้กี่พันคน กี่หมื่นกี่แสนก็ไม่สรางประชากรในตอนนั้นแต่ทุกที่เนี่ยมีกินเพราะนายบิยูซุคนเดียวการสร้างประโยชน์ให้กับมนุษยชาตินบิยูซุทําหน้าที่คนนั้นถ้าขาดนายบิยูซุนะผมบอกเลยอีบก็อดตาย้างๆก็อดตายไม่มีใครไม่มีไม่มีกินมีนยบิยูซุนี่แหละแก้ปัญหาได้พอเตรียมสเปียงให้แล้วกอลัตูนีบิอาเคินลากุมบินอาบีกุมก็บอกกับพี่น้องว่า ให้นําพี่อีกคนน้องชายอีกคนหนึ่งเนี่ยมินอามีกุ้มที่พ่อเดียวกับผู้คุนเนี่ยให้พามาด้วยแปลว่าตอนที่ใช่สเบียงเนี่ยอาจจะมีการถามไถ่พูดคุยกันหรือว่านาบียูซุปทําไมละ่ะทราบรายละเอียดก็อ่านเล่าแค่นี้แหละบอกให้เอาน้องชายที่พ่อเดียวกันมาด้วยเพราะนบียะกุนะ้มเน่ยมีพญาสี่คนนะ่ะ รอฮีนี่คืออะไรละ่ะแม่ดาบียุสกับบิญยาณีและพี่สารอฮีเนี่ยก็เป็นภรรยานาบียากูหลังจากนั้นทังรอฮีนแล้วก็พี่สาวเลยก็มีสาวใช้อีกสองคนก็ออกมาเป็นภรรยาดบียากูเหมือนกันแล้วก็มีลูกออกมาสิบสองคนเนี่ยแต่นาบียุสกแม่เดียวกันดบีแค่สองคนยุสกับบิญญาณีนะสมัยก่อนเนี่ยสามารถแต่งพี่แต่งน้องได้ ชรีอัตในสมัยก่อนเนี่ยทําได้ปัจจุบันทําไม่ได้นะจะไปขอลูกสาวเขาโอ้โ oh, ห oh, oh, สวยทั้งพี่ทั้งน้องขอสองคนเลยฮารามนะทำไม่ได้จะเอาพี่เอาน้องเอาสักคนหนึ่งแต่งสองคนไม่ได้พยามากว่าหนึ่งคนนั้นได้แต่ว่าเป็นพี่น้องกันไม่ได้ในชรีอัตบทบัญญัติสมัยละมีมูมบัติห้ามแต่ในสมัยก่อนมันมีปัญหาแต่งได้ทั้งพี่ทั้งน้องเป็นพยานลมียากรูและกับสาวใช้อีกสองคนก็เป็นสี่คน น บ, บิยูซุปบอกว่าให้เอาน้องชายพ่อเดียวกันมาอา่านดูความฉลาดนาย บ, บิยูซุปเพราะว่าไม่พูดว่าน้องชายแม่เดียวกันเพราะทําไมล่ะบินยามินมีพี่น้องแม่เดียวกันคนเดียวคือยูซุปที่อยู่ตรงนั้นที่เหลือคนละแม่หมดนี่คือคําพูดนย บ, บิยูซุปฉลาดนะให้เอาพี่น้องพ่อเดียวกันมาก็คือบินยามีนก็อ่านเล่าไว้แบบนี้ แต่ถ้าไปดูในตอนรอดเนี่ยรายละเอียดมีเยอะเล่าเพิ่มไปจริงไม่จริงวันละอาร์ลเล่าว่าะเวลาฟังบรรดิสราอีตีย์เรื่องเล่าชาวบรรดิสราอินเนี่ยฟังได้จริงไม่จริงมีประเด็นหนึ่งเล่าวันละยูซุปบอกว่าสิบคนเนี่ยเป็นเป็นศัตรูเป็นสายสืบเพื่อเข้ามาเพื่ออียิปต์มาสืบเอาข้อมูลเพื่อจะมาพ้นมาบุกอีบิปต์ในตอนเล่าแบบนี้ในยูซุปก็เลยพูดว่า ทราบสแสดงภูมิตัวเองว่ารู้นะว่ามีพี่อีกคนน้องชายอีกคนแต่ไม่พามาอให้รู้ว่าอะไรแบบเนี้ยนะครับทางอี ก, ก็ทราบข้อมูลคุณเหมือนกันในตาอดเล่าแบบนี้กูอ่านไม่ได้เล่าขนาด น, นั้นอาจจะจริงก็ได้วันเราอา่านลำในยุบุสุขแค่บอกว่าให้เอาน้องชายพ่อเดียวกันมาทราบกันก็คือบิญญานีานะนบียุซุสุขทแบบนี้เนี่ยทําไมละ่ะเพราะหนึ่ง คิดถึงน้องชายยังไม่ได้เฉลยนะว่าคือยูซุปให้ไปเอาเบิญญาณินมาต่อมาโจทย์ต่อมาก็คือว่าเราจะทราบได้ยังไงว่าพี่น้องสิบคนมาเล็วขาวหน้ามันจะมาใหม่มาแล้วหายไปเลยทํำยังไงนบียูซุปก็มาได้เจอน้องไม่ได้เจอพ่อมาได้เจอพี่น้องถ้าพี่น้องเนี่ยถ้าเป็นนบียูซุปจะพูดยังไงให้กลับมาอีกครั้งนนบียูซุปบอกแบบนี้อัลลาตเรนาอันนี กูฟิลได้แะพวกท่านไม่เห็นหรือว่าฉันเนี่ยทาไมเอย่ยตวงสเบียงให้อย่างครบถ้วนเวลาม้าจะกาหนดโคตาได้ข่าวกีกก่กระสอบได้อะไรกี่กระสอบก็แล้วแต่นะเวลาตวงให้เนี่ยตวงครบถ้าเป็นสมัยนี้นะอาจจะมีการทุจริตตอนนึกภาพก็ว่าตอนนั้นสเบียงเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุด มีเงินมีทองอ่ะไม่มีข้าวกินก็นตายเสเบียงเป็นสินที่มีค่าที่สุดถ้าเจ้าหน้าที่ดูแลไม่ดีเนี่ยบาทีตวงไม่ครบกินมาหน่อยนึงเอาไปขายต่อแต่นบะียูซุปดูแลเองเรื่องเสเบียงในบียซุปมีวินัยมากแต่แต่การเก็บเกี่ยวเอากินขนาดไหนกี่ส่วนเก็บไว้ในรวงข้าวเอามากินแล้วต้องกินเจ็ดปีนะกินเผื่อเจ็ดปีนะ แขก็ประมาณประเทศไทยเนะี่ยทำทีวันทีสี่ปีนบีอูซุปทำทีในกีเปียสิบสี่ปีเจ็ดแห่งแรงเจ็ดไอ้นั่นที่ดูระยะยาวขนาดไหนแลว้วเวลากินกินเผื่อกเจ็ดปีไม่พอต้องเก็บส่วนหนึ่งไว้เพาะปลูกต่อยอดในปีที่ฝนตกต่อไปหลังจากสิบสี่ปีฝนจะตกอีกครั้งหนึ่งนี่คือนบีอูซุปสเปียร์เป็นสิ่งที่สําคัญมากนบีอูซุปบอกกับพี่น้องว่าเห็นไหมลนะ่ะเพราะว่าฉันเนี่ยเป็นคนที่ทําไมเอ่ย เอาสเปียงเนี่ยตูมให้พวกท่านเต็มย่อนขีดหนึ่งโลหนึ่งไม่มีให้เต็มนะครับัวอานาไทยุบุนซิลีนและฉันเป็นผู้ต้อนรับที่ดีเห็นไหมว่าฉันทำแบบนี้หน้าที่นาะียูซุปเนี่ยไม่ใช่มาแจกข้าวนะสมัยก่อนเดินทางใช้ระยะเวลาเยอะแล้วเวลาคนมามน่พี่น้องนึกภาพการจัดการการเดิหารี่ยากนะ สมมติว่าเฉพาะสันติชนมีสเสบียงข้าวที่อื่นไม่มีสเสบียงมีน้องมีข้าเวลาคนมานะ่ะให้อยู่ตรงไหนละ่ะให้พักตรงไหนให้นอนตรงไหนของกินน้ําดื่มจัดยังไงห้องน้ําห้องท่าต้องจัดทั้งหมดเลยหน้าที่นายวิญูซุไม่ใช่แค่มาถึงตัวข้าวแล้วกลับบ้านไม่ใช่นะ่ะเพราะบางคนเดินทางมาไกลต้องมาพักที่อียิปต์ละมาจากทุกที่ทุกสระนที่ นบียุสุบบอกว่าฉันเนี่ยเป็นใครรุ่นมุลซีรีนเป็นผู้ต้อนรับที่ดีไม่ใช่แค่ให้ข้าวอย่างเดียวให้สเสบียงอย่างเดียวแต่ต้อนรับผู้ที่เดินทางมาด้วยพูดเหมือนไม่ยากพี่น้องทําดูยากดูแลคนเนี่ยมาเต็มไปหมดร้อยพ่อพันแม่มันจะต่อยกันไหมจะตีกันไหมจะแก้ปัญหายังไงจะทะเลาะกันไหมเอาข้าไปแล้วข้าวหายเอาไอ้ห น, นี้ขโมยโอ้โหโปวดหัวไปหมดนบียุสุบจัด ก, การทุกอย่างดีเยี่ยมพูดกับพี่น้องว่าเห็นไหมล่ะ มาหาฉันข้าวเต็มต้อนรับดูแลอย่างดีคือมาขอเขากินเนี่ยจะดูถูกก็ได้นะอียิปต์จะวางตัวสูงสงก็ได้สเบียงของฉันน่ะทําไมเราจะไม่ให้ใครจะทําไมแต่ใียูซุปไม่วางตัวแบบนั้นเป็นผู้ต้อนรับที่ดีเป็นผู้ให้แต่ไม่ได้ดูถูกผู้ที่ขอนะ่ะจริงๆแล้วมาเหนือมาเนี่ยเอาตังค์ซื้อแต่ว่าจะไม่ขายก็ได้ตังค์ในตอนนั้นไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือสเบียง ยิบในขายก็ได้ไม่ได้ร้อนตังแต่มีสเสบียงนี่คือนิวซุปเห็นไหมให้เขียนแม้กระทั่งคนที่มาขอฝ่อิลลัมตะตูนีบีฮีหลังจากเตรียมสเสบียงทั้งหมดตอนนะครับอย่างนี้แล้วเนี่ยนะบอกกับพี่น้องว่าต่อไปเนี่ยนะฝ่อินลัมตะตูนีบีฮีถ้าไม่เอาเขามาเขาที่นี้คือพี่น้องพ่อเดียวของท่านก็คือบิลยามีน คราวหน้านะ้าไมออกมาฟลาไกและ้ละกุ้มจะไม่มีการให้สเสบียงต่อไปนี่อินดีวลาตะครอบุลฟลาไกและละกุ้มอินดีวลาตะครบุลแล้วก็ไม่ต้องเข้ามาหาฉันคราวนี้มาเดือดร้อนช่วยแม่ช่วยให้สเสบียงให้หมดเลยแต่ว่าถ้าคราวหน้าจะมาอีกนะ มาขออีกให้เหมือนกันเนื่อไขคือต้องพาพี่น้องมาด้วยถ้าไม่พามาพาน้องมาด้วยถ้าไม่พามาไม่ต้องมาบอกล่วงหน้าเลยบอกกับพี่น้องแบบนี้จริงๆนะยิวซุปเปอร์คิดถึงน้องชายเหมือนกันคนอื่นเป็นพี่เอวงพ่อตางๆแม่นึกออกมหมสิบคนที่เหลือมีแค่บินยาบีน้องคนสุดท้องที่เป็น น้องพ่อแม่เดียวกันคิดถึงเป็นอย่างิีมากแล้วเป็นน้องด้วยนะเวลา ค, คนทิดถึงคิดถึงน้องมาก่คิดถึงพี่นะครับกอลูบอกกับพี่น้องแบบนี้พี่น้องทั้งสิบคนก็กล่าวว่ากอลูซันรอวิโดอันหูอาบาหูเราจะไปเกี่ยกอมพ่อเราเองให้เขาออกมาวอินนาลาฟาอีดูนเราต้องทำให้ได้ พ่อจะทําไม่ได้นบีสุ ป, ประการล่วงหน้าวันหลังไม่ต้องมาถ้าน้องไม่มาด้วยไม่ต้องมาแล้วน้องทําไมไม่มาละ่ะน้องอยู่เฝ้าพ่ อ, พอดูแล พ, พ่อพ่อไม่ให้มาฉะนั้นคราวหน้าถ้าจะเอาน้องมาเนี่ยต้องให้พ่อยินยอมพ่อขึ้นบียากรูปอะไรสักหลาดถามว่าอยากไห้ยากพราะทาไมละ่ะนบียากรูบเคยมีแผลในใจพี่น้องจําได้ปะตอนเด็กเด ไอสิบคนนี้ก็มาแบบนี้แหละเอาอยูซุไ ป, เ, ปเล่นกับเราเธอเราจะดูแลเองพ่อบอกอย่าไปเลยมันมีหมาป่าอย่ามาป่ามานกินมันกัดเรามีตั้งสิบคนน่าราอุสบาตุนตเราดูแลเองน้องคนเดียวมาดูแลไม่ได้เป็นไงละ่ะน้องหายไปคนหนึ่งหายไม่พอนะเอาเสื้อมาอีกเสื้อที่เปื้อนเลือดแล้วก็เป็นเสื้อที่โกหกเปื้อนเลือดแต่ไม่ขาด เราบอกยูซุปถูหมาป่ากินพ่อเนียมียากรมีแผลในใจเคยไว้ใจลูกสิบคนให้ดูแลน้องคนเดียวดูแลไม่ได้แถมโกโหกอีกน้องตอนนี้อยู่ไหนก็ไม่ทราบไม่ได้ไม่ได้ข่าวข่าวนาไม่ได้ข่าวข่าวนบิยูซุปเลยนะกี่ปีกับยี่สิบปีลูกคนนึงหายจากบ้านไายีสิบปีหายตั้งแต่เด็กพี่น้องกี่ตูเจ็บปวดในใจมากฉะนั้นเวลาที่พี่น้องสิบคนเดินหานเดินทางไปหานบิยูซุปไปขอสบียนี่ ลูกคนสุดท้องต้องอยู่กับตัวเองไม่อยากจะเสียลูกไปแล้ววันนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่น้องสิบคนจะมาเกลี้ยกล่อมพ่อขอบิ ญ, ญามีนไปเนี่ยในบิยากุไม่อยากให้เลยกลัวประวัติศาสตร์จะซ้ารอยเพราะไอ้สิบคนนี้เคยทํากับยูซุกแบบนั้นจะดูแลน้องเองเนี่ยน้องหายไปคนหนึ่งแล้ววันนี้จะเอาน้องอีกคนไปอีกเดี๋ยวก็โดนอีกนึกออกไหมความรู้สึกในบิยากู เสียลูกไปแล้วและเหตุการณ์แบบนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะอายาธิโอสิบเอ็ดเนี่ยอเล็กกาเลเล่าว่ากอรูซัโนรวิดูอันผู้อบาผูว้อินนารฟาอิลูนเราจะเกลี่ยกองพ่อให้ได้พ่อไม่ใช่ของอ่ายๆนะขอไปแล้วได้เลยไม่ใช่พี่น้องสิบคนกระซับที่ว่างานนี้พูดยากพ่อไม่ให้มาแน่พ่อทำไมล่ะยี่สิบปีที่แล้วมีคดีติดตัวทุกคนเลยเนี่ยรวมหัวกันเนี่ยพาน้องหายไป อินดารฟาอิลูมเราจะทําให้ได้สัปดาห์หน้านีพี่น้องจะเห็นจะเห็นพี่น้องนายยูซุปไปเกลี่ ย, ปปยของพ่อเอาน้องมาเถอะเอาน้องมาเถอะย่างเหมือนกันกว่นนานบายยูุปจะปล่อยมา ก, ก็ล้วลิฟิตยานี่นะครับนบียูซุปก็กล่าวกับเด็กรับใช้ตัวเองว่าเวลาตักดูแลสเบียงแกกจ่ายสเบียงเนี่ยไม่ใช่นายยูซุปคนเดียวนายืนหน้ากระสอบข้าวเอาใครมาตักไม่ใช่นะ้ มันงานใหญ่คนมาทั่วทั่วเมลุกิทิธมีพนักงานมีเด็กรับใช้ดูแลตัวนี้น บ, บียุซก็ไปสั่งกันได้รับใช้ตัวเองน บ, บียุซที่เป็นอัจจิสนะเป็นผู้ที่ดูแลกลางค่างแทนที่ของสามีนางสุไลคอร์ตำแหน่งเดียวกันแล้วอัจจิที่ซึ่งน บ, บียซุซหายไปไหนล่ะเสียชื่อไปแล้ว ก็มีบทีสารเล่าว่าเสียพรตอมใจสุไลคอไปมีคดีกับนามียูซุปหรือว่าเสียชีวิตเพราะป่วยก็วันเราอาลบนะตอนนาียูซุปมาแทนตําแหน่งตรงนั้นว่ก็แล้ฟิตยานีนายียูซุปก็กล่าวกับเด็กรับใช้ที่ดูแลตรงนั้นว่าอิจยาลูบิดออาตัวหุมฟีริฮาริฮิมและอัลละหุมยะริฟูนาฮาให้เอาบิดออา มิดาภาษาอังกฤษปัจจุบันดปว่าสินของนักต้มสีหมายถึงเงินตาที่เอามาซื้อข้าวเนี่ยไม่ได้แจกทีนะแต่ขายขายในราคาที่เหมาะสมแล้วก็กําหนดโคตา้าไม่ได้มีเงินเท่าไหร่ขายเท่านั้นไม่ใช่นะพี่น้องนบีซุปมาเนี่ยมาขอสับเบียงขอซื้อสับเบียงให้เงินไปนบีซุปยาฮัซะยาฮัซฮุมบิยาฮาซีฮิมเตรียมสับเบียงให้สับียงให้ ปกติตังจะไม่คืนนึกออกไหมให้ของไปแล้วตังก็เก็บมาอีกเก็บเข่าค้างแต่ว่าในกรณีของพี่นบีอูซุพิเศษนบีอูซุไปสั่งคนที่ดูแลการเงินลูกน้องนบีอูซุนี่แหละสั่งว่าให้เอาเงินที่พวกี่ใช้ซื้อเสบียงเนี่ยใส่เข้าไปในเอฮาริทิมไอฮาริทิมนที่นี้แปลว่าถุงแใบว่ายามสิ่งที่คนนี้เใช้เดินทางมาน ก็คือให้ของคืนเงินพูดง่ายๆละอัลและฮุมย่าไอฟูนะฮะหวังว่าพวกเขานั้นจะได้ทราบว่าคราวนี้ที่มาอียิปต์ได้สัเบียงไม่คิดค่าใช้จ่ายให้ฟรีๆตั้งจ่ายไปแล้วนึกออกมา้ยได้สัเบียงเสร็จคืนแอบคืนตังด้วย mm. พวกนี้ยังไม่ทราบนะว่าได้ตังคืนให้คนไปใส่แล้วก็พอไปถึงที่โน้นก็กลับไปที่บ้านที่ปาเลสไตน์แล้ว ไปเจอนยบียากรูประเปิดมาสบียงก็ได้เงินก็นได้เพราะตรงนี้แหละจะเป็นสิ่งที่นัตซวิตบอกว่าเป็นตระกีบเป็นการดึงดูดให้พี่น้องเดินเดินทางมาอีกครั้งหนึ่งนะบียูซุปอยากเจอกับน้องอยากเจอกับพ่อวางแผนยังไงเนี่ยนี่เป็นแผนนยบียูซุป คืนสบียงให้ให้เต็มให้สบี ย, งยางเต็มคืนตังค์ให้ด้วยยืนยันว่ารมาอียิปต์จะได้รับสบียงกลับไปและถ้าพาน้องมาได้จะได้เพิ่มอีกหนึ่งส่วนวันที่มาสิบคนได้สิบส่วนถ้าพาน้องมาอีกได้ได้สิบเอ็ดส่วนถ้าไม่มีน้องล่ะไม่ต้องมาไม่ได้สักส่วนเรามาเนี่ยไม่ได้เสีย ต, ง ต, ตังค์นะแต่ตังค์คืนไปด้วยบางคนบอกว่าวิดออาแปล ว, ว่าเอาเงินมาซื้อ บางคนบอกว่าเอาสิ่งของมาแลกเปลี่ยนสมัยก่อนอาจจะไม่มีเงินตาว่าเราออาหลับอาจจะมีแล้วก็ได้เพราะว่าตอนที่อะไรแหละกองคาวาลซื้อนายบิยูซุปใช้คําว่าด h e rahim มีเงินซื้อแหละนะเป็นเงินก็ได้เป็นสิ่งของก็ได้แล้วแต่ความเห็นนักวิชาการแต่แน่ๆคือคืนให้พอกลับไปแล้วทราบว่าโอ้อยินดีมากคนที่ดูแลเสบียงดีมากตอนรับก็ดีเนี่ยคอยรุ่นมูนซิลินตอนรับก็ดี อูฟินไกละ่ะเวลาตวงให้เต็มๆไม่มีขาดห น, กกหนึ่งโลกึ้งหนึ่งโลนะนอกจากนี้ยังคืนเงินให้ด้วยแล้วก็สัญญาด้วยถ้าเอาน้องมาจะให้อีกเป็นการดึงดูดให้มาครั้งที่สองนี่นะมยวซุปฉลาดไหมละฉลาดหมดเลยการพูดการจาวางแผนยังไงให้พี่น้องกลับมาอีกนะนะครับอีดังกอละบูอิล่าอัลฮิมละอัลลาฮมยรัิอูน เมื่อพวกเขาเนี่ยทําไมกลับไปสู่อะไรหลังครอบครัวของพวกเขามาถึงประหานาธิีย่ากูและอัลละฮุมยังคงยูนหวังว่าพวกเขาจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคิดถึงน้องชายทํำยังไงให้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนี่คือเนื้อหาคร่าวๆในวันนี้นะครับในช่วงท้ายของเวลาประมาณห้าหกนาทีผมทวนนะจริงๆเนี่ยตับซีที่ยากก็คือตับซีที่เป็นประวัติพอเล่าแล้วเนะี่ยมันจบง่าย พูดยังไงให้ได้หนึ่งชั่วโมงเนี่ยยากถ้าพูดสั้นๆคือพี่น้องมาหานยบิยูซุปนยบิยูซุปเอาเสาบียงให้บอกว่าเขาหน้าเอาพี่น้องมาด้วยแล้วก็ปล่อยครับเนี่ยพูดแค่นี้สิบวิจบแต่ว่าเราต้องซิดเราต้องให้รายละเอียดนะครับมียังไงที่ตรงไหนบ้าสิ่งที่พี่น้องได้ในวันนี้เนี่ยนะครับหนึ่งนะวลาพูดถึงไอ้คนตัวยูซุปพี่น้องนายบิยูซุปผมอยากพี่น้องค้นต่อจะนิดหนึ่ง จะเป็นคนธรรมดาเป็นคนที่สอนก็ได้พี่น้องอามียูซุปเป็นใครบ้างมีอะไรบ้างบทบาทยังไงประวัติศาสตร์ยังไงบ้างเพื่อที่เราจะทราบเกี่ยวกับบันทีอิสราเอลอาลุนกิตาเวลาพูดถึงยโฮูดโนซ า, าอพูดถึงยโฮุษทราบไหมคํว า, าว่าเยโฮุษมาจากไหนยังตอบไม่ได้เลยเยโฮุษนึงมาจากคว า, าว่ายโฮุดาหนึ่งในะพี่น้องอามียูซุปเนี่ยเราจะนั้นก็เรียกแทนเผ่ายโฮุษทั้งหมด พี่น้นบดยูซุฟเป็นใครบ้างมีบทบาทยังไงบ้างเราไม่ทราบเลยที่เราทราบคือมีนับีมูซาช่วยบริษัทโซอินออกมาแล้วก่อนอบดดาวูดเป็นกษัตริย์มีลูกคือสุเลมานไปหาราชนีบินกิสและกันจบแค่นั้นแต่จริงๆแล้วรายละเอียดเยอะมากประวัติของบริษัทโซอินก่อนที่จะจักตั้งอาณาจักรตอนที่มีความแตกแยกตอนที่มีปัญหาและเผ่าดังล่าวมีบทบาทอะไรบ้างเราไม่ทราบเลย เราไม่ทราบกระทั่งว่าพี่น้องนบียูซุฟคนหนึ่งชื่อลาวีเนี่ยเป็นผู้ที่ทําไมละ่ะเป็นผู้ที่ดูแลดูแลอะไรละ่ะหีบของนบีมูซาไม่ทราบเลยกางยินยลีวายดีสัยเนี่ยคือเลวีไม่ทราบแลยโรบินที่ดูหนังเนี่ยพี่พี่น้องนบียูซุฟซามูเอลนัฟตาลีเบนจามินอะไรแบบเนี่ยชื่อที่คนเขาตั้งกันเนี่ยเป็นชื่อพี่น้องนบียูซุฟซึ่งเป็นเป็นชื่อเผ่าบรรดิซออินต่อม า, าสิบสองเผ่าทราบไ้ยเราไม่ค่อยทราบ นะครับผมแต่ก่อนก็ไม่ทราบ ก, ก็ต้องค้นนะพอไปอ่านดูนะักทัปซีดอธิบายว่าฮิกมากหนึ่งของซุลอยูุุปเตียมความพร้อมมุสลิมเกี่ยวกับบนออันิึกสโลอิต้องค้นต่อสิ่งที่ได้ในวันนี้เราทราบประวัติลักษณะของนบียุซุฟคือฉลาดที่ผ่านมาเห็นลักษณะหลายประการมีความเก่งเก่งหรือฉลาดไม่จะฉลาดแบบอันนี้คือฉลาดความจา เห็นปุ๊บจําได้ปับ๊บสิบคนจะไม่ได้สูนอับดุสุนสคนเดียวไม่ได้ความฉลาดนบดุลุสุเนี่ยฉลาดในการวางแผนด้วยจะแก้ปัญหายัางไงเนี่ยสิบปีอุดมสมบูรณ์สิบปีแห้งแล้งหลังจากนั้นจะมีฝนตกเนี่ยโจทย์เป็นแบบเนี้ยพี่น้องจะทํำยังไงแน่หมดเลยทําแบบนี้สะเดียรเก็บแบบนี้กินแบบนี้เก็บที่ส่วนแบบนี้อับดุลเลบสุทำได้นะนอกจากนี้ยังมีคุณธรรมอบดลเลบสุที่ผ่านมาเนี่ย ไม่ผิดถ้าติดคุกยอมคุกดีกับฉันยิ่งกว่าตั้งไปอยู่ในสิตธานาแบบนั้นนี่นาย บ, บิยุสนะใครที่จะรับตําแหน่งหน้าที่ดูแลกิจการคอรเตอร์บิลันมัสยิดเนี่ยดูนายบซุสุบริหารงานยังไงอ่านะครับตรงนี้เห็นความจํายบิบุสุจําได้เยี่ยมมากต่อมาเนี่ยนะครับนาย บ, บิยุสุกับพี่น้องเนี่ยมีสิลธุตุนราหัม เชื่อมความสัมพันธ์กับพี่น้องให้อภัยถ้าแค้นนะไอสิทคนนี้มันได้ข้าวกินมายังไงกลับไปทางนั้นเลยเห็นหน้าน่สั่งลิซัตตยาในที่เนี่ยนะสั่งเด็กเล่นแล้วแต่ก่อนโยนที่ไว้ในบอ่อทําม่ได้ไงเดะเอาตัวเองโยนในบอ่อยี่สิบปีพักผ่าจากพ่อจากแม่จากบ้านเกิดเมือง น, นอนตอนนี้ตัวเองได้ดีแต่ไม่ซ้ํามีซิรตุนธรรมเชื่อมความสัมพันธ์กับเครือญยากนบีซุนไม่แค้นเลยนะ ทำไมไม่แค้นสเสบียงให้ให้ไม่พอคืนตังค์ด้วยแล้วก็บอกว่าให้เอาน้องชายมาเกี่ยวกับญาติพี่น้องตองดูนบียูซุ่ดีกับญาติพี่น้องมาให้อภัยเราเนี่ยบางทีเนี่ยญาติพี่น้องที่มองหน้ากันไม่ติดเพราะว่าเมื่อถูกเรื่องแบ่งที่นี่แหละที่มีปัญหากันแบ่งที่ผมไปถามทนายนะคดีมุสลิมีอันดับหนึ่งคืออะไรพี่น้องคดีมาราโด อันดับสองอันดับสองไม่มีมีแต่อันดับหนึ่งมรดกมาล็อกเดียวกันเลยพี่คนโตเป็นผู้จัด ก, การา ร, กรับมรดกจะได้วไปแบ่งน้องน้องกับฟองพี่ก็ไม่ยอมมีแบบนี้ทั้งนั้นนี่เลยคือพอบรรดานบะิยูซุปเนี่ยยิ่งว่ายิ่งหัวโกงที่นะโยนเข้าไปในบ่อจะเอาตายเลยเนี่ยนาบิยูซุปให้อภัยนะครับอันนี้เป็นแง่คิดที่ได้จากบรรดนบิยูซุปเป็นคนดีเป็นคนฉลาดแล้วก็เชื่อมสัมพันธ์กับญาติที่น้อง นะหลังจากนี้เนี่ยนะครับนยมิยูซุปก็วางแผนต่อวางแผนที่ไม่ใช่แปลว่าไม่ดีนะแปลว่าฉลาดทำยังไงได้เจอหน้าน้องให้เอาน้องมาคราวหน้าแล้วก็การคืนตังค์ให้กับตรงนี้เนี่ยเป็นการช่วยเหลือพี่น้องอีกทางหนึ่งหมายความว่าสเสบียงก็ได้ทรัพย์สินที่มีก็ให้เตให้คืนไปเพื่อจะเป็นการช่วยเหลือพี่น้องจะได้ไม่ต้องลองบากเพราะ ถ้าพี่น้องดูแผนที่นะ่ะประเทศปาเลสไตน์เนี่ยตอนนี้เป็นอิสราเอลเนี่ยแลว้วก็พี่น้องมาดูอียิปต์เนี่ยผมเคยนั่งไปเที่ยวไปจากอิรักไปจอร์แดนนั่งข้ามทะเลมาลงซีนายนั่งรถมาอียิปต์เหนื่อยแล้วพี่น้องในยิวซุปเดินทางมาที่ดูกี่วันกี่เดียวกี่คืนเนี่ยลำบากขนาดไหนนะใียิซุปคืนไปไกลนะถ้าเดินทางเดินเท้าเนี่ยเดินอู น, นีกับไกลนะครับคืน เงินให้หมดเลยเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องทําดีต่อพี่น้องเวลาพี่น้องมีความดีเนี่ยมีสระก็ให้ญาติพี่น้องได้บุญสระก็บุญที่สองได้เพราะว่าทําดีกับญาติพี่น้องได้บุญสต่อเวลามีอะไรก็แล้วแต่จะให้เนี่ยดูญาติพี่น้องก่อนให้คนอื่นก็ได้บุญสระก็ให้พี่น้องก็ได้สดะก็เหมือนกันได้บุญเหมือนกันแต่บุญที่เพิ่มมาก็คือทําความดีกับญาติพี่น้องฉะนั้น ดูพี่น้องก่อนไม่ใช่ไปช่วยโดยจากนู่นพนมเปนช่วยทุกอย่างกาซ่า ก, ก็ช่วยช่วยได้ดีแต่ว่าไอ้พี่น้องอยากติข้างอยู่ไกลๆบ้านเย yeah, อยู่นะช่วยเหลือคนใกล้ชิดก่อนคนไกลช่วยได้ไหมไม่ได้หา้ามช่วยได้แต่ว่าอย่ามองข้ามอยากิพี่น้องนะครับนี่คือสิ่งที่ผมฝากไว้วันนี้พระบิลาฮิโตฟันธิดายะอัสสลามุอะลัยกุมววาระมัตุลลอฮิวะเบะราตเต